สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีมา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู ต, ตอนที่464เรื่องของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่8ตอนที่8พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของแหล่งที่มาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อตอบคําถามว่าของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสเตียนทุกคนเราควรจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างนั้นได้มาจากไหนครับ ถ้าเราศึกษาในพระเจตนของพระเจ้าถ้าเราดูคุณลักษณะต่างๆของของประทานและการประทานการให้ของประทานอย่างแพร่หลายเราจะต้องเน้นว่าของประทานทั้งหลายทุกอย่างนั้นล้วนแล้วมาจากพระเจ้าล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นครับเป็นของประทานของพระเจ้าของประทานปัจจุบันนั้นเป็นของขวัญเป็นกิฟต์จากพระเจ้าในพระคัมภีร์หม่นั้นระบุไว้อย่าง น้อยที่สุดสามประการด้วยกันครับซึ่งเป็นแหล่งที่มาของของประธานเหล่านั้นประการแรกสุดครับของประธานฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนั้นเป็นของประธานเรียกว่าแห่งพระคุณเป็นของประธานแห่งพระคุณพูดง่ายๆก็คือว่าของประธานฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนั้นเป็นพระคุณของพระเจ้าคำภาษากรีกนะครับร ะ, ระบุไว้ชัดเจนครับว่าคาลิสมาตา นะครับเป็นของประทานแห่งคาริสคาริสแปลว่าความโปรดปรานพี่น้องครับตรงนี้ถ้าใครมีลูกสาวนะครับตั้งชื่อคาริสนะครับสวยเพราะกับแปลว่าความโปรดปรานของพระเจ้าเงี้ก็ตามครับให้เรากลับมาครับคาริสมาตาเป็นของประทานแห่งคาริสก็คือของประทานจากความโปรดปรานของพระเจ้าซึ่งเราไม่คู่ควรครับแต่เป็นพระคุณ เห็นไหมครับ not deserve ก็คือไม่คู่ควร not deserve ีไม่คู่ควรแต่พระเจ้าให้กับเราครับนี่คือพระคุณครับในทั้มพีหลายๆตอนนะครับเช่นทั้งีตอนนี้เพราะเรามีของประทานภาษาักษิษใช้คำ ว, ว่าเพราะเรามีคาริสมาตาเพราะเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณ พระคุณตรงนี้ใช้คำว่าคาริสที่ประทานให้กับเราเราก็ใช้ของประทานนั้นเห็นไหมครับันนี้พบในพระธรรมโรมบทที่สิบสองข้อหกเราทุกคนมีคาริสมาตาที่ต่างกันตามคาริสที่พระเจ้าประทานให้กับเราคำว่าคาริสมาตากับคาว่าคาริสนั้นนะครับมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องครับเพราะว่าของประทานนั้นเป็นไปตามพระคุณของพระเจ้า พระคำพิจารณ์หนึ่งครับเอเฟซัสบทที่สี่แต่ว่าพระคุณแคริสนั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกทุกคนตามขนาดที่พระคริสประทานให้เห็นไหมครับแต่ว่าพระคุณนั้นทรงโปรดให้กับเราทุกทุกคนตามขนาดที่พระคริสทรงประทานให้ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานชัดเจนครับ ทุกแห่งเลยที่พูดถึงเรื่องของประธานและพูดถึงการให้มาซึ่งของประทานนั้นเป็นพระคุณทั้งสิ้นครับเป็นของประธานที่เราได้รับที่พระเจ้าทรงโปรดเราทรงประทานให้กับเราเราก็ต้องใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบสันทะที่ดีแจกและสําแดงพระคุณนานาประการ ของพระเจ้าอันนี้พบในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สี่ก็สิบครับพี่น้องครับข้อนี้นะครับเป็นข้อที่สำคัญมากพูดง่ายก็คือว่าเราจะต้องรู้สึกถึงน้ำหนักของข้อนี้เพื่อที่จะเกิดประโยชน์ที่จะเตือนใจเราว่าในพรงบีใหม่คำว่าคาริสมาตานั้นมิได้ใช้หมายถึงของประทานเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความรอดอีกด้วยครับ ยกตัวอย่างครับในพระธรรมโรมบทที่หกข้อยีิบสามหลายท่านท่องได้เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานตรงนี้ใช้คําว่าคาลิสมานะครับจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคาลิสมานะครับคาลิสมาตาแปลว่าของประธานครับของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันเห็นไหมครับนี่คือมาจากพระคุณล้วนๆครับ มาจากพระเมตตาของพระเจ้าล้วนๆครับเพราะฉะนั้นเราคงคุ้นเคยและคงจําได้นะครับว่าความรอดของเรานั้นไม่ใช่ด้วยกําลังของเราเองแต่มาจากพระเจ้าครับเป็นพระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับเราความรอดของเรานั้นมาจากพระเมตตาของพระเจ้าล้วนๆซึ่งเราไม่คู่ควรจะได้รับเพราะเราไม่มีความดีใดๆเลยหรือเราไม่มีการกระทําดีๆที่ถึงมาตรฐานที่เราจะได้รับความรอดพี่น้องครับไม่มีอะไรนําเราให้ถ่อมใจได้ดี ได้ดีเท่ากับความจริงข้อนี้ครับเราจะต้องถอมใจและขอบคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าความรอดของเรานั้นก็คือของประธานแห่งพระคุณเช่นเดียวกันครับของประธานที่เราต้องใช้ในคริสจักรของพระเจ้านั้นก็เป็นของประธานแห่งพระคุณเพื่อที่เราจะรับใช้พระเจ้าการรับใช้พระเจ้าก็เป็นของประธานจากพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษหรือพิเวลเลชที่คริสเตียนทุกคนได้รับจากพระเจ้านะครับเฉะนั้นเราจะต้องไม่โอ้อวด ไม่อิจฉาริศยาไม่เปิดช่องให้มันสตารนมาทำลายทาลายโจมตีเรานะครับเพราะความหยิ่งยโส ว, ว่าเรามีของประทานที่สูงกว่าคนอื่นไม่ใช่ครับเราจะมาถึงประเด็นที่สองครับว่าของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ น, นั้นเป็นใครเป็นเจ้าของคำตอบก็คือว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของครับของประทานฝ่ายวิญญาณ น, นั้นเป็นของประทานของพระวิญญาณของพระเจ้า เป็นของประทานแห่งพระวิญ ญ, ญาณของพระเจ้าท่านแอคคาทูดเปาโลนั้นใช่วลีที่กินความกว้างมากครับเพราะว่าท่านจะกล่าวถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหลายๆด้านเช่นดนใจให้เราได้ประจักษ์แจ้งทําให้เราเกิดความรู้ทําให้เราเกิดการยอมรับเห็นด้วยยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ยอมรับว่าเราจะต้องเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระวรกายของพระคริสต์ยอมรับว่าเราได้รับบัพตมาโดยพระวิญญาณมีพระวิญญาณเตี่ยมล้นอยู่เสมอเช่นเดียวกันครับของมระานฝ่ายวิญญาณท่านแอรุบเปาโลได้เน้นว่าของประานฝ่ายพระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณองค์เดียวกันพระวิญญาณองค์เดียวกัน ปรากฏถึงสิบเอ็ดครั้งนะครับในสิบสามข้อพระนทีไปพูดชัดเจนครับในหนึ่งโครินบทที่สิบสองหนึ่งโครินบทที่สิบสองนั้นก็เป็นหลักฐานถึงการที่ว่าพราะวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเจ้าของของประธานนะครับนอกจากประธานด้วยพระคุณแล้วแต่พระองค์ยังเป็นเจ้าของเจ้าของนั้นมีความหมายว่าพระองค์มีวัตถุประสงค์ของการประธานชัดเจนครับ เมื่อมีวัตถุประสงค์ของการประทานชัดเจนเราจับตรงนี้ได้ไหมครับเราเก็ตตรงนี้ไหมครับว่าเรานั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรไว้ประทานของประทานให้กับเราและของประทานนั้นประทานให้กับเราอย่างมีวัตถุประสงค์ครับพี่น้องคําถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราได้รู้และเราได้ทําตามวัตถุประสงค์ และเราได้ใช้ของประทานตามวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าประทานให้กับเราโดยพระคุณของพระองค์และพระองค์เป็นเจ้าของของประทานนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับพี่น้องครับประการที่สามครับในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่สําคัญในขณะที่เราได้รับของประทานโดยพระคุณของพระเจ้าในขณะที่เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของของประทานและประทานให้กับเรา ประเด็นที่สามก็คือว่าตามชอบพระไถยของพระองค์ครับของประทานฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณนั้นเป็นของประทานที่เกิดขึ้นตามชอบพระไถยพระเจ้าประทานตามชอบชอบพระไถยตามสิทธิทอํานาจสิทธิขาดของพระเจ้าในพระธรรมเอเวซาสบทที่สี่ได้กล่าวถึงว่าพระเยซูคริสต์นั้นเปรียบเสมือนกับแม่ทัพหรือนายพลนะครับซึ่งนํำชัยชนะมาสู่แผ่นดินของพระเจ้า พระเยซูทรงนำเฉลยมาเป็นจํานวนมากและแจกจ่ายของประทานต่างๆเป็นของประทานที่ให้จริงๆครับตามสิทธิขาดของพระเจ้าตามสิทธิอำนาจสูงสุดของพระองค์ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสองข้อสิบเอ็ดกล่าวว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบรรดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพทัยของพระองค์พี่น้องครับผมจะอ่านให้ฟังครั้งนะครับหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสองข้อที่สิบเอ็ดกล่าวว่า สิ่งสารพัดเหล่านี้พระญาณองค์เดียวกันทรงบรรดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบประทายของพระองค์เห็นไหมครับตามชอบประทายของพระองค์ก็คือตามสิทธิทีอำนาจสิทธิ์ขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูนั่นเอง <c oughs> เราได้รับการอนุญาตหรือเป็นคําสั่งด้วยที่จะต้องแสวงหาของประานที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือความรักครับพี่น้องครับความใฝ่ฝันปรารถนานี้ เกี่ยวโยงกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั่นก็หมายความว่าการที่เราจะขวนขวายหาสแสวงสแสวงหาของประทานพัฒนาของประทานของเรามากขึ้นเรื่อยๆสะสมของประทานเหล่านี้เพื่อที่จะใช้นะครับใช้ออกมาในการขยายแผ่นดินของพระเจ้านั้นเราจะต้องอธิษฐานครับแล้วต้องมีความฝ่ายขวัญพัฒนาอธิษฐานขอความเชื่อที่เพิ่มขึ้นอธิษฐานขอของประทานที่เพิ่มขึ้นแต่นั้นก็ตามครับ การจัดสรรปันส่วนของพระทานต่างๆนั้นไม่ได้ขึ้นกับตามใจชอบของเราเองแต่ขึ้นกับสิทธิอำนาจสิทธิขาดตามชอบพัดไทยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นแหล่งที่มาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้คือน้ำพัดไทยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าเป็นทักษุลของพระองค์ที่ทรงประทานให้โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และตามสิทธิขาดอำนาจสิทธิขาดของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรู้ความจริงเชิงสาบอาการนี้ เพื่อที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้และมีความเชื่อฟังถ่อมใจในขณะเดียวกันครับต้องยอมรับการประทานของประทานเหล่านี้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน